เมื่อวานก็ได้เล่าถึงเรื่องของพี่น้องสองคนที่แย่งจะเอาส้มนะซึ่งมีอยู่ลูกเดียวแม่เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ไกลเกลีย่ยแต่แทนที่แม่จะใช้วิธีแบ่งครึ่งหารสองนะแม่ก็ถามลูกก่อนนะว่า อยากได้ส้มเพราะอะไรทำไมถึงอยากได้ก็ได้คาตอบว่าคนหนึ่งอยากได้อยากกินเนื้อเพราะมันอร่อยอีกคนหนึ่งบอกอยากได้เปลือกส้มพอรู้เช่นนี้นีน่มันก็ง่ายเลยนะก็ให้คนหนึ่งนะกินเนื้อที่เหลือก็เอาเปลือกส้มไปไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งเนี่ยพ่อให้ลูกไป เตรียมตัวอ่านหนังสือให้ลูกไปอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบในห้องนะแต่ว่าพ่อก็ได้ยินเสียงดนตรีเสียงเพลงจากห้องของลูกพ่อก็ไม่พอใจนะว่าให้ไปดูหนงังสือสอบแต่ทําไมฟังเพลงอนะ่ะแต่ก่อนที่จะว่าลูกนะพ่อก็ถามลูกว่าเปิดเพลงทําไม ก็าได้คาตอบว่าข้างบ้านเนี่ยเขส่งเสียงดังวกเวทตั ว, วตโลอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องนะก็เลยต้องเปิดเพลงเพื่อกบเสียงเหล่านั้นเปิดเพลงแล้วเนี่ยก็พอจะอ่านหนังสือได้รู้เรื่องนะพ่อเข้าใจพ่อกันเลยไม่ได้ดุว่าลูกทั้งสองกรณีนเนี่ยนะมันที่เหมือนกันคือว่า ผู้เป็นแม่กับผู้อื่นพ่อนี่ก็ก่อนที่จะทำหรือพูดอะไรลงไปก็ถามก่อนถามว่าลูกทำไมอยากได้ส้มหรือถามว่าลูกทำไมเปิดเสียงเปิดเพลงเสียงดังพอถามก็ได้คำตอบพอได้คำตอบก็รู้ว่าควรจะทำอย่างไรปัญหาก็ไม่เกิดที่จริงนอกจากการถามผู้อื่นแล้วนะ สิ่งสำคัญอย่างนึงคือถามตัวเองด้วยถามตัวเองว่าทําไมทําอย่างนั้นเพราะถ้เราไม่ถามตัวเองเนี่ยบางครั้งเราก็ทําอะไรตามความเคยชินแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกนะนัดกันไป เขาใหญ่พ่อก็บอกลูกว่าให้ตื่นแต่เช้านะรถจะออกหกโมงเช้าแต่ถึงเวลานี่ลูกก็งงเงียเพราะว่านอนนอนดึกตื่นสายทำให้ไม่สามารถที่จะออกตามเวลาที่กำหนดได้นะกว่ารถจอกได้นี่ก็6โมงสิบหกโมงสิบห้านะ ผิดเวลาไปสิบนาทีสิบห้านาทีพ่อนี่โมโหมากเลยเพราพ่อนี่เป็นคนที่ตรงเวลาเวลาไปทำงานนี่ไม่เคยไปงานสายไม่เคยไปทางานสายเวลานัดใครเรื่องงานเรื่องการนี่ไม่เคยผิดนัดตรงเวลาแต่พอลูกเนี่ยนะเป็นเหตุให้เดินทางนะล่าช้า ก, กำหนด พ่อก็เลยไม่พอใจลูกแต่ก่อนที่พ่อจะต่อว่าลูกเนี่ยน่าจะถามตัวเองหน่อยว่าทำไมต้องตรงเวลาด้วยนะกับการไปเที่ยวนะเราไปเที่ยวนี่เราก็ไปเพื่อพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายไปแบบสบายสบยนั่นจะ ไปช้าสักหน่อย10บนาทีสิหนาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรพราะไปเที่ยวมันไม่เหมือนกับว่าตรงต่อเวลาเมื่อทํางานนะทำงานนี่มันต้องตรงเวลาเพราะว่าถ้าไม่ตรงเวลาเดี๋ยวมันเสียหายกับงานกับการการทํางานก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนคนอื่นคนหนึงก็ตรงเวลาแต่เราไม่ตรงเวลามันก็เดือดร้อนเขาในการตรงเวลาเนี่ย ในขณะที่ทำงานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต่ว่าไปเที่ยวเนี่ยนะมนไม่ เ, เป็นต้องเรียกว่าสตรีกหรือว่าตรงเป๊ะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าไปพักผ่อนะนี่ถ้าพ่อนี่เออถามตรงสงหาว่านี่ทำไมเราต้องตรงเวลาขนาดนั้นด้วยในเมื่อเรากับครอบครัวจะไปเที่ยว ถ้าถามตัวแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีเหตุจะต้องชุนเฉียวนะมันไม่มีความจำเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถามตัวเองพอตรงเวลาแล้วคนหนึ่งก็ต้องตรงด้วยแม้ว่าสิ่งที่จะทำต่อไปมันคือการนั่งรถไปเที่ยวมีผู้ชายคนหนึ่งนะเมื่อสักยี่สิบสาสิปีก่อนนี่แก ทุกค่ำเนี่ยประมาณสองทุ่มเนี่ยก็จะต้องฟังวิทยุคลื่นสั้น B.B.C. สมัยนั้นมันมีวิทยุคลื่นสั้นนะรายการของ B.B.C. นี่ก็เที่ยงตรงเวลากินข้าวนี่ก็ต้องกินก่อนนะกินก่อนเวลาสองทุ่มนะเช่นกินข้าวเวลาทุ่มครึ่งกินเสร็จก็ได้ฟังวิทยุตอนหลังมีครอบครัวก็มีภรรยามาช่วยทำอาหารให้ ก็ให้ทางบ้านหรือว่าทาภรรยาที่ทอาหารก่อนทุ่มครึ่งตัวนี้ได้ฟังวิทยุบ b บี BBC, ได้ทันเวลาบางวันนี่ภรรยาทรอาหารช้าเลยทุ่มครึ่งไปสามีก็โกรธเพราะว่าทำให้ไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ฟังข่าวข่าวได้ทันเวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่ก็ได้ ินอาหารเนี่ยก่อนทุ่มครึ่งเสมอตอนหลังอ่ะลูกสาวก็โตลูกสาวก็ช่วยทำอาหารให้กับพ่อเอากับแม่ก็เวลาผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าไอสถานีวิทยุเนี่ยของ BBC ีซเขาก็หยุดทำการนะเพราะว่าคนไม่ฟังกันละครื่นสั้นคนไปดูข่าวทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ยัง นะกินอาหารก่อนทุ่มครึ่งเสมอมีวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวทำอาหารช้าต้องกินหลังทุ่มครึ่งนะทุ่มสี่สิบห้าโอผพูดเป็นพ่อเนี่ยโกโรธนะโกโรธเพราะอะไรเพราะว่าทำให้นะทำให้ไม่ทาให้ทาให้เสียเวลาในการกินอาหารกว่าจะกินอาหารเสร็จก็เลยสองทุ่มไปแล้ว ก็ผิดเวลาก็โมโหลูกสาวแต่ถ้าลองถามตัวเองว่าโม โ, มโหทำไมนะที่ให้ทำอาหารทุ่มครึ่งเนี่ยก็เพราะว่าจะได้ได้ฟังสถานีได้ฟังข่าวคราวตอนสองทุ่มจากวิทยุคลื่นสั้นนะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นจะกินอาหารเสร็จเลยสองทุ่มไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเนื่องจาก ทำจนเป็นนิสัยจนเคยชินนะถ้าวันไหนอาหารกินหลังทุ่มครึ่งนี่ก็จะไม่พอใจเพราะไม่ได้ถามตัวเองว่าที่ให้กินอาหารทุ่มครึ่งเนี่ยเพราะอะไรนะแต่ถ้ารู้ถ้าถามตัวเองแล้วมันก็จะรู้ว่าโอ้ยไม่ได้กินอาหารเสร็จ2องทุสิบห้าก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าไม่ได้ ไม่มีวิทยุให้ฟังแล้วนะคนเราบางครั้งนี่ก็พอทำอะไราตามความเคยชินล่ะก็ไปยึดติดถือมั่นจนลืมวัตถุประสงค์หรือเหตุผลนะของการทำอย่างนั้นยิ่งไม่ได้ถามตัวเองเวลานี้มันก็ยิ่งเพลินไปกับการยึดติดกับแบบแผนมีสํานักงานสวัสดิการผู้สูงอายุนะแห่งหนึ่งเนี่ย ผู้สูงอายุนี่ก็หรือผู้กเกษียณนี่ไงต้องมายื่นเรื่องขอรับเงินบรรนานทุกเดือนยื่นเรื่องเสร็จก็ถึงเวลาเขาก็เรียกมารับเงินคนที่มารับเงินก็ต้องมีเอกสารมีบัตรประชาชนมีบัตรแสดงตัวว่าเป็นคนเดียวกับผู้ที่ยื่นเรื่องก็มีหญิงชราคนหนึ่งนะก็ทําเรื่องเป็นปกติ ถึงเวลาเจ้าที่ก็เรียกมารับเงินพอไปถึงเคาน์เตอร์นะเจ้าที่ก็บอกให้หญิงชราเนี่ยยื่นบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนตามระเบียบหญิงชราเลยพูดกับมาว่านี่พูด ก, กับเจ้าที่คนนั้นว่านี่ฉันแม่เธอนะเนี่ย <laughs> ฉันเป็นแม่เธอทำไมต้องยื่นบัตรประชาชนด้วยเจ้าที่คนนั้นเนี่ยก็รู้น่าเป็นแม่นะแต่ว่า ก็ยืนกลานจะอ่าให้หญิงชราผู้เป็นแม่นี่ยื่นบัตรประชาชนให้เพราะอะไรเพราะเป็นระเบียบแต่ลืมถามไปว่าระเบียบนี้มีไว้เพื่ออะไรนะมีไว้เพื่อยืนยันว่าผู้รับเงินกับผู้ยื่นเรื่องนี้คนเดียวกันก็ในเมื่อรู้จักแม่ของตัวแล้วนี่นะก็รู้แน่ว่าเนี่ยเป็นคนเดียวกับคนที่ยื่นเรื่องแน่มันไม่มีผิดตัวไปได้นะ แล้วก็ยืนกลานเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ถามตัวเองว่าทําไปทําไมนะมันก็เลยกลายไปว่าติดยึด ก, กับกฎระเบียบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปะตาประมาสอย่างหนึ่งนะยึดติดในกฎระเบียบหรือยึดติดในแบบแผนในกิจวัตรจนลืมว่าทําไปเพื่ออะไรนี่มันก็มันถึงก็ทําให้เกิดปัญหาเหมือนกันนะเราก็ต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าทําไปทําไม ถ้าเราถามแล้วเนี่ยบางทีปัญหาก็จะไม่เกิดกับคนอื่นหรือไม่สร้างความรุกให้กับเขาได้